พุทธวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะดิฉันสันสนีนาคพงมาอีกแล้วนะคะกับรายการสันสนีสนทนารายการที่สนทนาธรรมะกันเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์คือเข้าถึงคําสอนของพระศาสดาด้วยไม่ใช่เป็นแต่เพียงทะเบียนแล้วไม่ได้เข้าถึงแค่รู้เท่านั้นแต่ว่าจะให้เข้าถึงสู่การปฏิบัติทางจิตของท่านเองไปพร้อมๆกันเรียกว่า ถ้าฟังรายการนี้เราจะได้พัฒนาทางจิตยอย่างถูกต้องภายใต้คำสอนของพระศาสดาหรือว่าเป็นพุททวจนะที่พระมหาภัยบุญอภิบุญโญจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีท่านจะนำมานำพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วก็อธิบายให้ด้วยนะคะว่าหลักธรรมนั้นๆเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราไปพบกับท่านกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัส ก, การนะคะท่านภับุญคะเจ้าปานค่ะ วันนี้จริงๆแล้วเป็นห่วงเวลาของอ่าไม่ใกล้ไม่ไกลหรือว่าบางคน อ, อาจจะอยู่ในระหว่างด้วยซ้ำบางครอบครัวนะคะเทศกาลที่จะไปแสดงกระตันยู่กับบรนพรบุรุษของคนจีนเขาเทศกาลเชงเม้งค่ะทีนี้เดี๋ยวฉันก็มานั่งคิดตามนะคะว่าเออแล้วถ้าคนเขาไม่มีโอกาสได้ไปทําพิธีลักษณะเดียวกับเชงเ ม, ม, ม้งบันพบุรุษจะมีโอกาสที่จะอะได้รับ การแสดงซึ่งความกระตันอยู่กับตเวทีนี้หรือไม่มมหรือว่าดิฉันก็เพิ่งได้ยินมาจากครอบครัวคนจีนแล้วนะคะเต็มพานไปนั่งคุยกันตอนร้อนๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยหนูไม่ไปเชงเมงแล้วอืมจะบอกว่าพ่อแม่ไปทําเถอะเพราะว่ามันร้อนอ่าเออนี้<ค>นก็แย่เลยเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเพราะตัวมาเองก็เป็นเอ่อมาจากครอบครัวคนจีนะนะว่าเชงเม้งเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรก็คือเหมือนกับการไปบูชาบรรพบุรุษ ไปเส้นไหว้บรพบุรบุษถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายไทยเนี่ยเขาก็จะทําช่วงสงกรานกันที่เหมือนกับไปหลุมศพแล้วก็ไปเส้นไหว้บรรพบุรุษของตัวเองพ่อแมอาา่บ้างปู่ย่าตายายบ้างอะไรอย่างนั้นคือคนจีนเขาก็จะทําช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเฉีงเม้งถ้เป็นคน อ, อินเดียหรือคนประเทศอื่นๆก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกับไปคนไทยก็แตกต่างกันไปทีนี้ถามว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าอย่างไรหรือไม่ ก็นะต้องทําความเข้าใจว่ า, าการบูชาบรรพบุรุษเนี่ยอย่างเวลาที่มารดาบิดาของเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยาการทําบุญอุทิศให้ท่านเนี่ยเป็นหน้าที่เลยนะหนึ่งในที่ทั้ง6เพราะฉะนั้นควรทำนะควรทำถามว่าแล้วทําในรูปแบบไหนนะซึ่งรูปแบบตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะรูปแบบที่ที่อย่างเชงเมง้งเขไปทำเนี่ยก็คือว่าเขาอาจจะเอาอาหารขนมหรือรอะไรต่างๆที่เขาเตรียมไปเนี่ยไปตั้งไว้หน้าหลุมศพแล้วก็บูชากันในลักษณะนั้น ซึ่งการบูชาลักษณะนี้นเรียกว่าการบูชายันการบูชายันแต่น <aer> ี้มันต่างกับ اء, ข้อที่ว่าอยู่ในทิศทั้ง6ที่เรียกว่าทำบุญอุทิศให้ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่างกันอย่างไรนะต่างกันตรงที่ว่าการทําบุญอุทิศให้คนที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยคือเราไปทําบุญก่อนแล้วเราก็เอาบุญนั้นอุทิศให้เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการไปทําบุญก็ต้องมีคนรับต้องมีคนรับซึ่งมันจะต่างกันการบูชายันเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นบุคคลมารับไป คือคุณตั้งไว้หน้าต้นไม้บ้างตั้งไว้หน้ า, ห, นาหลุมศพบ้างตั้งไว้เฉยๆบ้างนะปักทูบเอาไว้เหมือนกับบูชาเทวดาพวกเนี้ยนะไปทําพิธีบวงสวงอะไรสักอย่างก็บูชายันหมดพวกนี้จัดอยู่ในหมวดนี้นะส่วนการที่ทําบุญก็คือมีผู้รับมีผู้ให้ตัว น, นั้นก็จะมีอนิสงส์แตกต่างกันระหว่างจิตใจของผู้รับกับจิตใจของผู้ให้อะนะนะซึ่งซึ่งเราทําในนามของมัณฑะบิดาของเราที่ล่องรับไปแล้วหรือว่าทําแล้วก็อุทิศให้ท่าน2 อ, อย่างนี้ไม่เหมือนกัน ทสนี้ถามว่าอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันเหมาะสมต่างกันมากน้อยอย่างไรแล้วเรามาลองฟังพระสูตรที่มีมาในมัชฌิมานิกายในพระเจ้าตรัสเรื่องนี้กับพราหมณ์ที่ชื่อกูทันตพราหมณ์ในขณะที่เราฟังพระสูตรนี้ก็ให้ทําสมาธิไปด้วยเลยนะเป็นการใคร้ครวนในเรื่องพระสูตรนี้ด้วยกดีดิมกันค่ะคือในขณะที่เราตั้งสติเอาไว้รู้ลมหาใจเนี่ยใคร่ครวนพระสูตรนี้ไปนะเป็นเรื่องที่พระเจ้า ต, ตอนนั้น อยู่ที่ในมคตนืเมืองมคธไปพร้อมกับภิกษุ500ร้อยรูปมีอยู่ที่สวนอัมพละทิกาในที่นั้นมีพรามณ์คนหนึ่งที่เชื่อว่ากูทันตพราหม์กูทันตพราหมณนี้ก็เป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยก็เตรียมการบูชามหาหยันเขาได้เตรียมโค700ตัวโคตัวผู้เป็นโคลูกตัวผู้700ตัวลูกโคตัวเมีย700ตัวแพะ700ตัวแกะ700ตัว นำไปปลูกไว้เพื่อบูชาหลักยันพราหมณ์นี้พอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาก็ได้เตรียมคําถามต่างๆเพื่อที่จะมาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการบูชายัญของตัวเองนะว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่เพราะว่าในคัมภี์ของพราหมณ์ก็ได้เคยสอนถึงการบูชายัญด้วยยันสมบัติ3ประการมีบริวารสิบหกลำดับในสมัยนั้นพราหมณ์กูตันต์พราหมณ์นี้ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เราก็ตรัสถามถึงเรื่องการบูชายัญ น, นี้พระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของการบูชายัญที่มีคุณสมบัติเรียกว่ามียันสามประการแล้วก็มีบริวาร16อย่างในเรื่องนี้ก็ได้ปรารฏถึงสมัยก่อนที่พระองค์เกิดเป็นพราหมณ์บุโรหิตได้ถวายคําแนะนําให้กับพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตรราชในการบูชายัญครั้ง น, น, นั้นไม่มีโคแพะแกะไก่สุนัขสุ ก, กรต้องถูกฆ่า นะทุกคนไม่ได้รับการบำบัดพระพราค ก, นะการบูชายันนั้นสาเร็จด้วยเน ย, ยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำป้อยนะไม่มีต้นไม้ที่ต้องถูกตัดมาทําหลักยันนะเป็นการบูชาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในะการบูชาครั้งนั้นพอเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วนะพวกปรามทั้งหมดที่ได้ไปกับกุฏันตระปรามนั้นก็สาธุขึ้น3มครั้งในที่นั้นกุฏันตรปรามได้ พระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าค่าแต่ท่านพระโคมผู้เจริญก็ยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่ามีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ายันสมบัติทั้งสประการมีบริวาล16นั้นอยู่หรือไม่ทุก่อนพราหมณ์ยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่ามีผลมากกว่า มีอนิสงค์มากกว่ายันสามประการนั้นก็คือการถวายทานในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญถ้าแต่พระกลมผู้เจริญก็ยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่ามีผลมีอนิสงค์มากกว่าการที่ถวายทานในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญมีอยู่หรือไม่ดูกนพรามยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีกา ร, ตรเตรียมน้อยกว่า มีผลมีอ น, นิสงฆ์มากกว่าก็คือการถวายวิหารทานและการสมาทานไตราสานคมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยันอย่างอื่นที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการเต ร, ตรียมน้อยกว่าแต่ได้ผลได้อ น, นิสงฆ์มากกว่ามีอยู่หรือไม่ดูกวอนพรามการบูชาที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการเต ร, ตรียมน้อยกว่ามีผลมีอ น, นิสงฆ์มากกว่า ก็คือการสมาทานการปฏิบัติในศีรษาบททั้งหลายในพระสูตรเรื่องนี้อรมาก็ย่อมาให้ฟังเพื่อที่จะให้ทราบถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ไล่ขึ้นไปนาจากเรื่องของการถวายทานในเนื้อละบุญการสร้างวิหารถวายสงฆ์าการสมาทานไตรสรันตคมการรักษาศีลเรื่องของสมาธิแล้วก็จนถึงเรื่องของปัญญาคือการหลุดพ้นตรงนี้เด้รับผานค่ะก็เท่ากับว่า ในกรณีนี้หากเราไม่ใช่มีประเพณีในเรื่องของการบูชายันหรือเราอาจจะเคยทาแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการกระทําอย่างอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ได้บุญมากกว่าหรือเปล่าพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ใช่ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนับตั้งแต่เรื่องของการให้ทานที่ถูกต้องใช่ไหมคะูกต้องให้ทานในเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญที่ว่านี่เป็นอย่างไรค ะ, ค ะ, ะก็เป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญา ให้กับคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะคะก็จะได้มากถูกต้องอันนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้คือการสมมติการจะให้ทานเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผู้ให้กับผู้รับด้วยนะคือถ้าผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาก่อนให้นะก็มีจิตน้อมไปใช่ไหมมีการตระเตรียมมาอย่างดีมีศรัทธาก่อนให้ก็มีจิตเติมใส่นะแล้ววางให้มีศรัทธาก็มีจิตน้อมไปนะหลังให้มีศรัทธาก็ยังมีความมีความยินดีปอใจในทานที่เราให้ไปนี่คือคุณสมบัติของผู้ให้ ดุลสมบัติของผู้รับผู้รับก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญเป็นไงมีเนื้อนาบุญก็ต้องมีราคะโทสะโมหะหมดแล้วหรือปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้รวมกันของผู้ให้3มอย่างของผู้รับ3าอย่างจะทําให้การให้นั้นได้ผลได้อันนี้สูงมากทีเดียวะ น, ะนะคะในส่วนของการให้ให้ใครที่ได้บุญมากเนี่ยฟังกันค่อนข้างชัดเจนละทีนี้มาถึงการให้วิหารธรรม อ่าอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเลยไปถึงตรงนั้ น, นคันโยมติ๋าจมาต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการการบูชายัญ น, นิดหนึ่งนะอ๋อค่ะอ่าว่ายันที่บูชาเนี่ยที่เราบอกว่าเราเหมือนกับตั้งเครื่องบงวงส w i n เอาไว้แต่ล้วไม่มีคนมารับเนี่ยสุดท้ายคุณก็มาโจ้กินกั น, นใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าไม่มีผู้รับน ะ, ะถามว่าการการความเห็นที่ว่ายันที่บูชาแล้วมีผลเนี่ยเป็นสมาธิฏินะเป็นสมาธิฏิเพราะฉะนั้นเป็นการทําได้หรือไม่คําตอบคือได้ <C le à> นะไม่ไม่ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะ <C le à> ไม่ผิดหลักคําสัอนพระพุทเจ้านะทีนี้ถามว่ามียันอะไรที่มันจะประเสริฐกว่านั้นไหมนะ <C le à> ซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเนี่ยได้อธิบายถึงคือคุณยมติเข้าใจไหมว่าพรามเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรมทั้งทุกอย่างเลยนะ <C le à> ในตําราเขาก็จะเขียนพิธีการบูชาอะไรต่างๆนะซึ่ง <C le à> มันมีในในอันหนึ่งที่กูทันตพรามณเนี่ยเขาไปศึกษามานีมีเขียนอยู่ในตําราของเขา ก็คือยันสัมปทาสาอย่างมีบริวาร16อย่างซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรคือในตำราเขาเขียนไว้แค่นี้แล้วก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะมันต้องตรียมกับข้าวสอย่างหรือเปล่ามันต้องมีองค์ประกอบ10อย่างอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้พระเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังว่าไอ้ยันสัมปทาสาอย่างมีบริวารสิอย่างนี่มันเป็นยังไงค่ะอย่างคนที่เคยไปไหว้เจ้าตามสารเจ้าหรือว่าเราไปไห ว, ว้พระอะไรต่างเนี่ยคุณเอาเอาข้าวไปตั้งหน้าพระพุทธรูปอย่างเงี้ย ก็ไม่ต่างอะไรกับบูชายัญนนไม่ต่างเลยถามว่าแล้วคุณไปทำเนี่ยเขาก็จะมีคําแนะนำว่า้จิตใจคุณต้องอย่ากังวลนะจิตใจคุณต้องทําจิตใจให้สบายนะอย่าให้มีความร้อนใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พราหมบรโรหิตเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าเกิดเป็นพราหมบรโรหิตอธิบายแนะนําให้พระเจ้ามหาวิชิตราชฟังซึ่งตอนนั้นพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยคือพระเจ้ายกเรื่องราวในอดีตนะ ตอนนันพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้ที่ให้คําแนะนํากับพระเจ้าหมหาวิชิตราชแต่พระเจ้าหมหาวิชิตราชเนี่ยมีความรุ่งเรืองมั่งคั่งมากเป็นพระราชาเขก็เลยมีความคิดว่าจะบูชายันจะบูชายังไงดีนะซึ่งพราหมณ์ที่เป็นปุโรหิตเนี่ยก็ให้คำแนะนำว่าโอา้ยแต่บ้านเมืองเนี่ยมันยังเดือดร้อนอยู่นะยังมีโจรพ้นชิงทรัพย์อะไรต่างๆนะการบูชายันตรงนี้ตอนนี้ยังทําไม่ได้ไม่ดีนะต้องทําให้บ้านเมืองเนี่ยหมดเสี่ยนน้ำหลักต่อซะก่อนนะอวิธีการที่ พราบโรหินที่เขาแนะนาก็คือว่าเอางั้นจัดแจงให้ดีนะใครที่ทำดีเราโปรโมทขึ้นให้ข้าวขึ้นให้เงินมากขึ้นนะคนที่เขาก็จะควรขวายในการทำกิจที่ดีของเขาเนี่ยพวกที่ทำไม่ดีก็จะค่อยๆลดลงลดกาลังลงนะคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นเราก็ไปประหารเขาจับจำคุกซะหรือว่าในประเทศไปไกลๆนะแต่วิธีนี้จะไม่ได้ทำให้ราบคาบได้เพราะว่า ลูกหลานของบุคคลที่ถูกขับไล่ไปถูกลงโทษก็จะมีก็จะทำให้มีความเดือดร้อนในบ้านเมืองภายหลังแต่โดวยวิธีการบรหิหารจัดการที่พระมบรหิตนแนะนำให้พระเจ้าหมหาวิชิตราทมทำให้บ้านเมือง เ, เรียบร้อยหมดเลยคุณโยมเต <Okay. S 2> นะีเป็นบ้านเมืองที่ตอนกลางคืนไม่ต้องปิดประตูบ้านก็นอนให้ลูกนอนเต้นอยู่บนอกได้สบายใจนะครั้งหลวงก็มีแต่เงินมากขึ้นนะก็เลยกราบทูลถึงวิธีการบูชามาหาญาณ น ใ, ในที่นั้นเนี่ยก็ได้เรียกพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกทั้งหมดเมืองขึ้นทั้งหมดนะมาบอกให้ร่วมกันพวกเราอมมาศพวกขรรเบดีพว ก, บบพวกคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในเมือ ง, องต่างๆก็มาร่วมบูชา ย, ยันกันนะไม่มีใครที่ได้รับการกีดกันทุกคนยินดีต้อนรับหมดนะแถมเงินให้มีการที่บริจาคมีการที่อะไรคําอย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็เป็นยันที่สมบูรณ์ด้วยทั้งผู้ที่สร้างขึ้นมาคือพระชามาวิชิตราชเนี่ย ก็สมบูรณ์ด้วยยศของตัวเองด้วยชาติกําเนิดนะพราหมณ์ผู้บูชาก็สมบูรณ์ด้วยชาติกําเนิดนะยันในการบูชายันครั้งนั้นไม่มีสัตว์ต้องมาตายนะทุกคนก็อยากทําอะไรก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องมาน้ําตานองหน้าพรางทํางานพลา ง, ง, าลางอย่างนี้นะซึ่งสมบูรณ์มากๆเลยนะพอพวกพราหม์ฟังตอนนั้นเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยมันคือในปัจจุบันสมัยนั้นเนี่ยหาคนที่ทําแบบนี้ไม่ได้เลยนะนะคือบูชาด้วยข้าวของภายนอกเนี่ย เราไม่ต้องพูดถึงว่าคุณตั้งโต๊ะมีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้ยังสู้ยันที่เรียกว่ามียันสัมปทาสามีบริวารสิบไม่ได้เลยน ะ, ะอย่างไรก็ตามเนะี่ยพอพราหมงคูันสารพรามจะได้ทราบข้อมูลนี้ก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรที่มันเหนือกว่ามีการตรเตรียมน้อยกว่าไหมอย่างที่คุณโยมติวตามน ะ, ะก็คือเราก็ลัพูดถึงเรื่องที่ว่าถวายทานถวายข้าวเนี่ยในเนื้อนาบุญนี่คือ ค, คือข้อที่1ใช่ไหม ถัดมาสูงกว่านั้นมีอีกไหมก็คือทําวิหารถวายส่งที่มาจากทั้ง4ทิศนะเช่นเราสร้างกุฏิถวายพระอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารพวกนี้นี่คือข้อที่ข้อที่2ที่สูงกว่านะได้อนิสงฆ์มากกว่าเพราะว่าเป็นการทําที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะพูดอย่างนง้นก็ได้กูดันตพรามนี่ก็ถามดอเบกว่าเอาแล้วมีการอะไรที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าได้ผลมากกว่ามีอนิสงฆ์มากกว่าไหม นี่นะผู้ชาก็เลยตอบให้ถึงการที่สมาทานไตรสระนคมไอ้ที่คุณบอกว่าพุทธังสระนงังคขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามินั่นน่ะได้บุญมากกว่าอีกนะเออมากกว่าสร้างวิหาระคะใช่ได้บุญมากกว่าสร้างวิหารถวายทรงที่มาจากทั้งสี่ทิศแต่คงไม่ได้หมายความว่าพูดแต่ปากนะคะว่าพุทธังสระนงังคัจามิค่ะก็คือ หมายความว่าย่างไรไอ้คำ ว, ว่าสระนังกชามีเนี่ยหมายความว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะนะคุณมีที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วนะคุณมีที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วนะมันได้บุญมากทําไมเพราะคุณมาอยู่ในหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ล ะ, ะนะบุญจะสูงมากทีเดียวแล้วนะถามว่ามันมีอะไรที่มันเหนือกว่าไปกว่านั้นอีกไหมมีการตระเตรียมน้อยกว่านั้นได้ผลมีอันนี้ส่งมากกว่านะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงกันสมาทานศีนนะ่ห้าแค่ศี่ห้าเนี่ยนะ คือคือต้องทําความเข้าใจว่าไอ้การเราสมาทานตรายสรนนคมนะพูดพุทธังสรนณิษฐ์ามีอะไรต่างๆแล้วเอ้แต่บางทีก็ยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้แนอยังคนพูดทั้งหลายเนี่ยที่ในบแบบประชาชนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขายังเขียนว่ า, าศาสนาพูดอยู่หรือเปล่านะถ้ามันมีก็คือคือคุณประเภทนี้แหละที่สมาทานตรายสรนนิษฐคมแต่ว่าปฏิบัติตามศีลไม่ได้ก็จะแม่คือคือสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคนที่ได้คือคุณก็ได้ข้อนี้คือได้ข้อที่ว่าสามารถสมาทานศีลห้าได้ อา้าวูุณดันตะพรามกก็จับได้แล้วว่างั้นมันต้องมีที่สูงกว่านะมีที่ได้ผลได้อ น, นิสง์มากกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่านะผู้ชอบ ก, ก็ไล่มาถึงเรื่องของคนที่ฟังทำแล้วนะ อ, ออกบวชนะออกบวชแล้วก็ปฏิบัติตามศีล น, นะศีลของพระนั่นแหละนะขั้นจุลศีลมหาอามัดชิมศีลมหาศีล น, นะสูงไปกว่านั้นนะก็คือการปฏิบัติสมาธินั่นเองนะได้ชั้ 1> ชน1ชั้น2องชั้นสามชั้นสี นะสูงไปกว่านั้นนะมีอา น, นิสงส์มากกว่าได้ผลมากกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่านั่นคือเรื่องของปัญญาแล้วก็วิชาแปดใช่ไหมไล่ <c oughs> แต่ตั้งแต่เรื่องของเห็นอดีตอนาคตทายใจคนได้มีตาที่ประเลงต่างๆจนกระทั่งถึงละอัสวะนะรู้แจ้งอริย ส, สัจเตามที่ผ่านให้แจ้งได้ตรงนี้ได้บุญมากที่สุดไห <c oughs> วเงินเลยเพราะฉะนั้นถ้าสรุปกลับมาถึงจุดที่เรียกว่าเราทําเชิงเมง่ง เราบูชาบรรพบุรุษของเราด้วยวิธีการบูชายันใช่ไหมเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่พระเจ้านแนะนำแต่คือตรงนี้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะตรงนี้นก็ไม่ได้ผิด <Okay. S 1> อะไรแต่ก็ถือว่ามีผลอยู่ถามว่าไอตอนที่พระเจ้ามหาวิชิตรราชบูชายันครั้งนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ในที่นั้นก็ได้ไปสวรรค์หมดนะ mm hmm. ดีด้วยได้ไปสวรรค์แต่ถามว่ามีการตระเต็มน้อยกว่าดีกว่าได้ผลอันนีส้สรงมากกว่ามีไหมก็คือไปหาเนื้อนาบุญแล้วก็ทําบุญแล้วเอาบุญ น, นี้อุทิศให้บรรพบุรุษของคุณ จะเป็นรูปแบบที่พระเจ้าแนะนำค่ ะ, ะเป็นดังที่ท่านเปยบุญว่าจริงๆนะคะพระสูตรนี้นี่มีเนื้อความเยอะมากเพราะว่าในระหว่าง <laughs> ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องอนิสงค์แห่งการทำน้อยแต่ได้บุญมากถูกไหมคะมมใช้คำนี้ยิงย่งๆขึ้นไปก็ไล่ไต่ระดับไปตั้งแต่การถึงไตรสรนค ม, มยึดถือพระพุทธกตธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ลงทะเบียนว่าพุทธนะจ๊ะนะคะแล้วก็ มาถึงเรื่องของการารักษาศีลรักษาศีลค่ะและการภาวนาถูกไหมคะเราจะเห็นว่าตอนที่ผู้เช่าอาธิบายในพระสูตรเนี่ยถ้าเราไปหาฟังอ่านก็ได้นะอยู่ในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรวากูทันตสูตรค่ะนะผู้เช่าอาธิบายเนี่ยเรื่องของการบูชายัญที่มันเลือดหลูอลังการมากๆเลยนะค่ะนะคือคื อ, โ, อโหมันไม่มีใครในปัจจุบันที่จะทําได้เลยอะ่ะนะเอาแค่ว่าคุณจะรักษาบ้านเมืองไม่ให้มีเส้นน้ำหลักต่อเนี่ย โอ้ยปัจจุบันมันทํากันไม่ได้มันทํามาสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันก็ยังทําไม่ได้ค่ะเ อ, อมันมันไม่ได้เลยโหมันเลิอดมาหักจริงค่ะนะคะแ ต, แต่แค่ว่าเรารักษาศีลเจ๋งกว่านั้นอีกนะเอาแค่นี้ดีกว่าคช่ไโอโ้โหคือถ้าฟังตัดตอนตอนนี้ก็คือเรงคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าฟังรายการวันนี้ยเหมือนพบขุ้มซับเลยนะค ะ, ะคือเหมือนกับว่าโอ้ได้รู้แล้วเราเคย ท้อท้อว่ายากจนนะหรือว่าไม่รวยแบบเขาไม่สามารถจะบริจาคได้มากยิ่งถ้าฟังตอนต้นๆบอกว่านอกจากจะทำทานในผู้ที่มีศีลดีแล้วบอกให้สร้างวิหารเนี่ยบางคนโอ้โหแค่อย่าว่าตัววิหารเลยเอาสักส่วนหนึ่งของวิหาร <c oughs> ตะปูสองสมเม็ดนี่ยังไม่มีปัญญาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะว <c oughs> ันนี้ก็สบายใจว่ายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งใช่รักษาศีลสนีนี่ต้องรักษามากขนาดไหนอะคะถึงจะพอตัวคะท่านคะเราก็เบสิกขั้นพื้นฐานต่ำที่สุดก็คือสีห้านะคะศีห<ช>้าเท่านั้นเองรักได้รักษาได้สีข้อทําไงดีคะท่านคะคนกําลังต่อรองค่ะก็ต้องสร้างสไตล์ใมากขึ้ น, นสร้างสไตล์มากขึ้นเราจะรักษาได้ห้าข้อ <c oughs> ต้องรอพร้อมกันทั้ง5้าข้อเลยไหมคะหรือว่าทําไปค่อยทําค่อยไปได้คือแต่ละข้อเนี่ยเขามีอณนนิสงของเขาอยู่แล้ว นะ<ช>คือเราทําตรงไหนได้เราก็จะได้อ น, นิสง์ของส่วนนั้นส่วนนั้นไปแน่นอนนะคะกับสุดท้ายก็คือต้องปฏิบัติแล้วก็รายการของเรานะครตั้งแต่ตอนต้นของรายการเนี่ยเรานําท่านสู่การปฏิบัติเรียกว่าให้เข้าถึงเส้นทางหล่ะใช่ใชท่านคา้าพเขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะมมในพระสูตรนี้สนใจตอนที่พระเจ้ามหาวิชิตรราชเทียมพาน ที่อยากจะทํายันอะไรที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไปาถามพราหมณ์ปุโรหิตอะค่ะพรามปุโรหิตนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าถูกไหมคะในยุคนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโพธิสัตว์คือเป็นพระพุทธาของเราเนี่ยชาติ<อ>นั้นเกิดเป็นพรามณ์ปุโรหิตนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวฉันอยากจะให้ท่านได้เล่าตรงนี้ให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกเป็นเทคนิควิธีที่น่าจะเอามาใช้ ในการที่จะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็ยังพอได้อ๋อคือพระรามโปรเฮตเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าเราจะจัดงานพิธีอะไรที่มันใหญ่หลวงใหญ่โตใช้เงินมากมายเนี่ยแล้วบ้านเมืองยังไม่สงบสุขเนี่ยมันไม่ควรทําแต่ก็มีความเป็นไปได้ก็เลยแนะนําพระเจ้าหมหาวิสิทธราชว่าในบ้านเมืองของพระองค์เนี่ยยังมีเส้นหนามหลักต่ออยู่ในเส้นหนามหลักต่อคืออะไรคนไม่สามัคคีกันคนมันฆ่ากาันตีฉกชิงวิ่งราวกันมันยังมีต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนที่คุณจะบูชา ย, ยันเข้าใจไหมเพราะนั้นก็เลยแนะนำยังไง นะแทนที่เราจะไปฆ่าเขานะจองจําในประเทศไปพวกนี้จะมีลูกหลานก็จะมาทําความลําบากเดือดร้อนอีกนะแก้ไขยังไงนะคือใครที่ขวนขวายในกิจการงานของตนเนะช่นคนที่เป็นเกษตรกรขว น, นะนขวายในกิจการงานของตนเอาโคให้เพิ่มนะเอาพืชพันธุ์ให้เพิ่มนะคนไหนที่เป็นข้าราชการทําความดีมีความซื่อสัตย์นะเลื่อนตําแหน่งให้ให้บีเลี้ยงคนไหนค้าขายได้กำไรต่างๆเอาเงินให้เพิ่มลดภาษีใหคนะ้คนนั้นเนี่ย ก็จะขวนขวายคือคนเห็นว่าคนดีได้ทําได้ดีใช่ไหมคุณทําดีคุณได้ดีเนี่ยเมันยิ่งจะขวนขวายในกิจการงานของตนไอ้คนชั่วมันก็จะเปลี่ยนเป็นคนดีเฮ้ยทำไมคนดีได้ดีวะเอ้ยงั้นฉันเป็นคนดีดีกว่าก็ใช่ไหมมันไม่เหมือนในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าคนชั่วเนี่ยได้พื้นที่ในสื่อมากกว่าคอ่าแสดงว่าคุณให้พื้นที่ให้ความสำคัญกับคนชั่วมันไม่ถูกไงค่ะค่เดนเข้าใจว่าเหมือนกับมองทะลุไปถึงปัญหาที่รากเหง้า ว่าอย่างกับเกษตรกรใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เหมือนกับไม่มีกำลังในการที่จะเอามาปลูกข้าวอาจจะมีปัญหาจนหาพวกเม็ดพันก็ไม่ได้เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบเกษติกรรมก็ไม่ได้ก็ให้ส่งเสริมใช่ไคะเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินให้แก่ระเมืองคือให้พออยู่พอกินและให้มีโอกาสในการทำงาน ใ, ใ<ห>ได้สาหรับคนที่ขยั น, นแข่งนะคนที่ขยั น, ขย น, นแข่งนะคะแล้วก็ เพิ่มทุนให้ในคนที่ยันกันแข็งแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการเบี้ยเลี้ยงเพื่พอที่ได้มีกําลังใจในการทําดีต่อไป อ, อันนี้ถือว่าเป็นกูดสโลบายแท้จริงเพราะว่าเป็นลักษณะของการเสริมแรงไม่ใช่การลงโทษที่จะใหะ้ลูกหลานพักพวกมาอาฆาตแค้นแล้วก็เกิดความไม่สงบระสำ่ำระสายในบ้านเมืองกันต่อไปตรงนี้มีนิดนึงคุณยมติ๋วในตอนท้ายประสูตรในจะคือจะจบละนะว่าหลังจากที่จบประสูตรนี้เนี่ย ได้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆมาเนี่ยท่านผู้ฟังมีโอกาสก็หาไปหาอ่านนั้นดีมากทีเด<ะ>ียวนปรากฏว่ากูตันตกูตันต์รามเนี่ยก็ปล่อยพวกโคแพะไก่ๆที่ตัวเองจับมาอย่างละ700ตัว700ตัวนะหวังว่าให้มันไม่ได้ไปกินน้ํากินหญ้าอะไรต่างๆแล้วตัวเองก็เปลี่ยนมาในโดยการถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามารับอาหารที่บ้านของตนนะแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันในที่นั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาเสร็จค่ะอย่างนั้นเลยใจว่า เขาปล่อยสัตว์ทั้งหลายนีคะท่านอาจารย์คะคือเหมือนกับว่าได้ทํากุศลใหญ่เลยใช่ใตั้งใจจะฆ่าเขาอยู่แล้วไม่ต้องทําปานาติบาสนี้เท่ากับรักษาศีลไปด้วยถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ให้ทานให้ให้มหาทานเชื้อเรือดอ่ามหาทานเชื้อเลือดถูกต้องถูกต้องค่ะนะคะท่านฟังเรียเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราได้ประโยชน์จากพระสูตร ที่ท่านเพรื่์มานําพวกเราปฏิบัติทำพร้อมทั้งอ่านพระสูตรให้กับพวกเราฟังแล้วก็ยังมาขยายความเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะให้กับท่านทั้งหลายด้วยก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเสถานนมัสการค่ะท่านฝังคะพระเพรื่์อภิปุโนปัจจุบันท่านเป็นพระมหาภบรล่นอภิปุโนนะคะท่านก็ศึกษาภาษาบาลีเพื่อที่จะได้เข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาอย่างชัดเจน เข้าอกเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในภาษาบาลีแล้วในทุกๆวันนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่ไฝ่ปฏิบัติไฝ่สอนสิธิ์อยู่เสมอมีการจัดคอร์สในแต่ละเดือนซึ่งดฉันต้องบอกเลยว่าที่วัดป่าดอนหายโศจวัดอดอนธานีนั้นทำจริงทำจังสถานที่สัปปายะแล้วก็หน้าที่จะเหมาะสำหรับการที่เราจะทุ่มเทอะไรเต็มที่แล้วได้รับกลับมาอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น หลักสูตรที่มีความละเอียดประณีตในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันส่วนกิจกรรมอันนี้เนี่ยทำกันอย่างสม่ําเสมอท่านเองก็ทุกครั้งจะต้องมีการเลือกสรรค์ประสูตรให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติได้ฟังถ้าะท่านทั้งหลายอยากจะไปปฏิบัติกันอย่างเป็นรูปแบบก็เชิญนะคะอยู่อำเภอหนองหานไปถึงที่นั่นปุ๊บจะเห็นบรรยากาศของการที่ต้องให้เราละความรุงรัง ท้งโลกเลยนะคะปิดวาจาทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายจะมีแผนกที่จะเก็บให้เราเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นวิตกกังวลกับเรื่องนั้นนั่นเองไปใหม่ๆนี่งงมากนะคะเดินสวนกับใครไม่มีใครพูดกับเราเลยตายังไม่มองเลยแต่ว่าดีมากเลยเมื่อใช้เวลาอยู่แล้วได้กลับมาเนี่ยเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกที่มันว่างๆนะคะก่อนจะกลับมาเป็นพวกไหว้ววุ่นกันต่อไปใน สภาพแวดล้อมแบบเหมือนแบบนี้วันนี้ก็คงจะต้องส่งท้ายกันแต่เพียงเท่านี้นะคะว่าเชิญชวนมาฟังรายการกันใหม่สัมสนีสนทนาที่สีส่สัมมนาณักพงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ทุกๆเช้าตีห้าถึงตีห้าครึ่งวันนี้พุทธวสวสดีคะ่ะ